พวอยู่วัดส่งกันบ้านแต่จะส่งก่อนไม่ได้ยิธรรมดาโมหะเกิดนะให้ใจเป็นกลางให้ใจเป็นกลางสมาธิม่จะเกิดโมหะจะหายทันทนะีแต่ถ้าอยากให้หายนะใจไม่เป็นกลางใจโลภยิ่งดิ้นยิ่งยิ่งมัว หลวงพ่อบวชในพรรษาที่สามอะบวชให้สองปีนิดๆอยู่กลางพรรษาที่สามนะจิตหลวงพ่อนี่ยมันไม่เคยมัวเลยตั้งแต่เป็นโยมนะสว่างสบายนั้นในพรรษาที่สามอยู่อยู่บนมัวเราก็พยายามดูก็หายนะแป๊บเดียวก็มัวอกีกดู ในสุดก็เห็นใจที่ไม่เป็นกลางตั้งแต่นั้นมาไม่เคยมวยัวอีกเลยใจเป็นกลางสมาธิมก็เกิดอะไรนะดีขึ้นคืนอะไรรู้ตัวพปลาหรอยไงจะไม่ให้หลวงพ่อประเมินทำไม หลวงปู่ดูลท่านใช้คำว่าจิตมันจะหาพยานนะมันก็รู้ด้วยตัวเองได้แต่บางคนมันก็รู้ผิดนะมันเข้าข้างตัวเองมันก็รู้ผิดมีเหมือนกั น, นภาวนาถูกมันก็รู้ด้วยตัวเองอย่าโลภอ้ใครต่อไป ่าเกี่ยงเสียเวลาล่องลอยไปพุโทโธไว้ดีแล้วหลงตามาหาบัวท่านเคยบอกหลวงพ่อนะว่าต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็สู้พุโทโธไม่ได้แต่ต้องพุโทโธให้เป็น พุทโธเราก็รู้ทันใจตัวเองไม่ใช่พุทโธให้ใจสงบเฉยๆโง่ๆอยู่นั้นพุทโธเราก็เห็นใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใจยังไม่เข้าฐานตัวออกเป่าวออิธีจะให้เข้าฐานนะก็าหายใจแต่อย่าดึงจิตนะถ้าดึงมันจะแน่นหายใจรู้สึกตัวสบายๆหายใจไป อย่าให้เคลิมาหายใจอย่างเงี้ยเดี๋ยวจิตมันจะเข้ามาน้องทาดูทําเดี๋ยวนี้เลยดึงแล้วดึงแล้วจิตจะแน่นแล้วไม่ดึงถอยออกมาใช้จิตปกติเลยจิตปกติตรงนี้อใช้จิตอห่าเนี้ยแล้วหายใจไป <c oughs> <c oughs> ก็ถูกถูกผิดผิดแล้วธรรมดาไม่ถูกตลาดหรอก อย่างตอนเนี้ยไม่ได้รู้สึกตัวไหมใจมันวิ่งมาอยู่ที่หลวงพอ่อแล้วก็วิ่งไปคิดเมื่อไหร่รู้ว่าใจมาอยู่ที่หลวงพอ่อเมื่อไหร่รู้ว่าใจหนีไปคิดนะไม่นั้นจะรู้สึกตัวคือเมื่อไหร่รู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไหวอะนะมันก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาอันนี้ยลงคิดแล้วหลงคิดไปแล้ว ถล่มลงไปเพ่งแล้วรู้สึกเปล่าไปทําบีบใจลงไปบีบมันทำไมฮะโอ้ยอยากมันก็กิเลสแหละมันจะรู้สึกตัวได้ไงไปพัฒนากิเลสรู้ทันกิเลสเลยแล้วจะรู้สึกตัวแต่ถ้ามีกิเลสอยากรู้สึกตัวไม่รู้สึกหรอกใจล่องรอยแล้วนะนั่นต้องทํากรรมฐาน จะใช้ความเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้อะไรก็ได้หากรรมฐานที่ที่ทำแล้วสติเกิดบ่อยๆนะของหนูต้องต้องหาเครื่องอยู่ที่หยาบนิดหนึ่งนะเครื่องอยู่ถ้าละเอียดเกินไปอย่างไปนั่งหายใจเดียวก็เคลิม้มพุโทโธบวกหายใจเข้าไปได้วยนะอยู่ได้หยาบขึ้นนอนละ่ะ ฟุ้งอ่ะฟุ้งก็าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปแต่ไม่ใช่หายใจเพื่อให้สงบนะหายใจแล้วก็รู้ทันใจไปว่ามันฟุ้งซ้างหายใจไปเรื่อยๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างถ้าอยากสงบจะไม่สงบแต่จะเครียดหมดยังว่าไง ตื่นเต้นรู้ไหมเนะตื่นเต้ น, นเหก็รู้เอานะแล้วไงอีกไม่เอาหลายอย่างจังตัวที่ยากที่สุดนะคือการเจริญสติในชีวิตรประจำวัน น, นยากที่สุดนะ ในก่อนที่เราจ ะ, จะเจริญสติในชีวิตประจาวันได้ดีนะเราต้องฝึกในรูปแบบถ้าเปรียบเทียบนะการฝึกในรูปแบบเหมือนการซ้อมมวยของนักมวยอยู่ในค่ายซ้อมของตัวเองไปการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนีคือการชกมวยออกมาสู้จริงนะเวลาเราอยู่ในการปฏิบัติในรูปแบบนะกรรมฐานนะี จิตเราจะวนเวียนอยู่ที่กายกับใจเป็นหลักเช่นนั่งนั่งมันปวดมันเมื่อยนะจิตมันก็ลงมาที่กายนะมันร้อนกับสบะพรายอะไรเงี้ย ร, รู้สึกร่างกายไม่สบายหรื อ, อยุ่งมากัดนะนี่นนมันจะรู้สึกอยู่ที่กายแล้วก็ตอนไม่มีอะไรทาบางทีจิตก็หนีไปคิดพุนะ่งสร้างไปอันนั้นหนีไปทางใจ เวลาที่เราทําในรูปแบบเนี้ยอายตนะที่ทํางานมากนะเหลืออยู่สองอันคือกายกับใจนี่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในกายเรารู้มีอะไรเกิดในใจเรารู้นี่เราฝึกจนชนานานญะเรามาอยู่ในโลกจริงๆในชีวิตจริงๆนะอายตนะทํางานหกตัวเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจนะใคล้ายๆศัตรูมารอบทิศทางแล้ว ถ้าไม่แน่จริงนะก็เอาตัวไม่รอดยันที่เราฝึกในรูปแบบเนี้ยก็ฝึกรู้ทันใจตัวเองเช่นเราพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่ใจหนีพิคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันว่าใจหนีพิคิดพุดโทโธพุโทโธอยู่ยุงกัดโอ้เจ็บรู้สึกรูกรที่กายเนี้ยมือจะไปตกยุงแล้วร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกให้เราคอยรู้สึกกายรู้สึกใจนะ ใจมันจะวิ่งไปที่กายเราก็รู้ใจจะวิ่งไปที่คิดก็รู้หรือใจจะวิ่งไปอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุโทโธอารมณ์กรรมฐ า, านเราก็รู้การฝึกในรูปแบบเนียฝึกเพื่อรู้ทันความเคลื่อนไหวของใจตนเองนี่เราฝึกจนรู้ทันใจได้ชำนีชำนาญแล้วในสองอายตนะเนี่ยกายกับใจเนี่ยออกมาอยู่ในชีวิตจริงหอายตนนะแล ตาเห็นรูปใจมันสะเทือนขึ้นมารู้ทันใจหรือใจวิ่งไปหารูปรู้ทันใจว่าวิ่งไปละอูได้ยินเสียงนะใจสั่นสะเทือนขึ้นมารู้ทันใจใจหนีไปฟังเสียงรู้ทันใจเนี่ยตัวเองก็คือตัวใจเรานั่นเองแต่เรารู้ทันใจในการสัมผัสทางอายตนะทั้งหตกนททาในรูปแบบนี่ยเรารู้ทันใจเรา ในขณะที่มีสัมผัสทางกายกับสัมผัสทางใจสองอันนั้นถ้าเราฝึกในรูปแบบชํานาญเนี่ยใจเราเคลื่อนไปที่กายรู้เคลื่อนไปที่อารมณ์กรรมฐานรู้เคลื่อนไปคิดรู้รู้ทันใจจนชํานาญนะม่ออยู่ในชีวิตจริงเนี่ยใจมันจะเคลื่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจะรู้หมดเลยเพอเคลื่อนไปแล้วกระทบออารมณ์แล้วเนี่ยเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วในใจ ก็มีสติรู้นะเราเราเคยฝึกรู้ทันใจจนชำนาญถ้าไม่ได้ใจก็ไม่ได้ธรรมะหรอกพรรมครูบาอาจารย์สอนตรงกันหลายองค์นะนั่หลวงปู่ ม, มั่นหลวงปู่ดูลนะธรรมะ8ดมสี่พันพระธรรมคันอยู่ที่จิตนี่้นถ้าเราเรียนไม่ถึงจิตนะเราไม่ได้สาระแก่นสารเพื่อแต่เปลือก อย่าที่เขาเรียนกันนะสํานักน้นสํานักนี้นะอยู่ที่เปลือกทั้งหมดเลยนักขยับอย่างนี้นี่ก็เปลือกหลวงพ่อคําเขียนนะหลวงพ่อเจอท่านท่านล่าให้ฟังเลให้ขยับมืออย่างที่หลวงพ่อเตียนสอนหลังๆท่มานบมาที่หลังนะยุคแรกๆหลวงพ่อเตียนสอนมีสติ น, นี่มีสติคนมันทําไม่ได้ทั้งเลยให้มันขยับไปเหมือนหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะ ยุคแรกๆไปสอนสติปัฏฐานนะคนทำไม่ได้สอนมนุษย์ทปยิมีตาทิพูทิพแล้วเห็นนรกเห็นสวรรค์จะได้ไม่ผิดศีลนี่ถ้าลดระดับลงมานั่นจริงๆแล้วมันอยู่ที่การฝึกจิตของเรานะ่ะหลวงพ่อคำเขีย น, นบอกสติแหละสำคัญที่สุดขยับเนี่ยนะเพื่อว่าใจลอยไปก็รู้ใจหนีไปคิดเรื่องอื่นก็รู้ หรือใจไปเพ่งมือก็รู้เนี่ยไปเพ่งมือคือการเพ่งอารมณ์กรรมฐ า, านใจหนีไปที่อื่นก็รู้ทันก็ฝึกตัรู้ทันจิตไปเรื่อยๆฝึกให้มีสติรู้ทันจิตไปเรื่อยๆที่ขยับเนี่ยหรืออยากดูท้องฟองยุบนะถ้าไปจ้องใส่ท้องก็เพศสมถะไม่ได้สาระแก่นสา ร, เ พ, ราเพ่งมา ก, มากๆเครียดนาะบ้าเยอะแยะเลยภนะาวานาแล้วบ้าไปเยอะเลย ถ้าดูท้องพองยุบนะใจไหลไปที่ท้องก็รู้ใจหนีไปที่อื่นก็รู้ไม่บ้าหรอกคนบ้าเพราะใจมันแตกสลายหนีไปนพยายามรู้สึกตัวไปใจหลงไปคิดอ่านรู้ไหมอ่านรู้บ่อยๆทำในรู้แบบเช่นพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะใจหนีไปคิดเรื่องอื่นมันจะลืมพุโทโธ พุโทโธเป็นความคิดนะพวกที่เรียนอภิธรรมแล้นก็โจมตีว่าพวกพุโทโธไม่มีทางบรรลุมรรคผลหรอกเพราะพุโทโธเป็นอารมณ์บัญญัติเป็นเรื่องที่คิดพวกนี้ฟังไม่เข้าใจท่านพุโทโธเพื่อรู้ทันจิตจิตเป็นอารมณ์ปรมัติตนะเั้นพุโทโธพุโทโธเลยจิตฟุฟง้งซ่านแล้วว่าฟุ้งซ่านพุโทโธแล้วจิตสงบแล้วว่าสงบพุโทโธแล้วจิตลืมพุโทโธไปห น, นีไปคิดเรื่องอื่น รู้ทันมันถ้าอย่างนี้ทําไมมันจะไม่ได้มากผลมันคือการรู้อารมณ์ปรมัติตไม่ใช่พุโทโธพุโทโธพุทโธเกลมเผลออะไอย่างนั้นม่เนไม่ได้มากผลอะไแต่วัดป่าหลังๆนั่งพุโทโธไม่เป็นเพราะพุทโธให้จิตสงบเฉยๆไม่ได้สาระนี่จริ ง, รงๆครูบาอาจารย์สอนพุโทโธนะเพื่อจะรู้ทันจิต คุณแม่จันดีนะเคยถามหลวงพ่อว่าถ้าอาจารย์ภาวนา ย, ยังไงจิตมาลงที่เดียวกันจิตเหมือนกับท่านหลวงพ่อบอกหลวงพ่อหายใจะทีแรกหายใจเข้าพูดออกโทนับหนึ่งพุโทพโธนับสองเนี้ยพอจิตเริ่มสงบให้การนับหายไปเหลือแต่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทพอจิตสงบมากขึ้นพุโทโธหายไปเหลือแต่หายใจพอจิตสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปกลายเป็นแสงสว่างตรงนี้สว่าง หลวงพ่อดูแสงสว่างแล้วจิตเคลื่อนไปที่แสงก็รู้จิตหนีไปที่อื่นก็รู้ท่านบอกทัางนั้นนันเดียวกันเลยแต่ท่านไม่ได้เริ่มจา ก, กลมหายใจท่านพุทโธเลยพุทโธกําหนดจิตอยู่แถวเนี้ยพุทโธสบายๆยอยู่ี่ไม่ไม่ให้ไปไกลนะพุทโธหยุดแถวนี้ยรู้สึกอยู่พุทโธพุทโธจิตหนีไปที่อื่นก็รู้ะจิตถล่มลงไปเพ่งพุทโธก็รู้พุทโธเรารู้ท่านจิต ถึงได้ความสำเร็จในการปฏิบัติะพุโตพโตพโตให้นิ่งเน่งไม่ได้อะไรได้โมหะเนี่ยจับหลักให้แม่นแม่นหลวงพ่อเรียนจากครูบาจารย์วัดป่านะสายวัดป่าเป็นรุ่นผู้ใหญ่รุ่นที่เป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของหลวงปู่มัน่นอย่างหลวงปู่ดูลเนี่ยเป็นลูกศิษย์อันดับต้นๆเลยของหลวงปู่มัน่น ท่านเข้าไปหาหลวงปู่มั่นหลังอาจารย์สิงห์เท่านั้นเองอาจารย์สิงห์กันทะยาพโมท่านภาวนาอยู่ไม่นานก็เข้าใจอริยาศาสตร์แห่งจิตปล่อยวางจิตได้เร็วใช้เวลาไม่ไมนไม่นานดูเขาเ้าไปที่จิตเลยหลวงปู่มั่นสอนท่านแต่หลวงปู่มั่นตอนนั้นก็ยังทำไม่ได้ หลวงปุ่มั่นสอนพระสอนอะไรเยอะคนยุ่งกัท่านมากไม่มีเวลาเข้าหนางท่านเองตอนหลังเลยท่านเลยหนีขึ้นเชียงใหม่ไปครูอาจารย์รุ่นรองลงมาไม่ทันเรียนกับหลวงพู่มัน่นที่จะตามท่านท่านเรียนที่ที่ศาน ร, รุ่นที่ท่านเรียนที่อุบลมีหลวงพู่เทสีทอง แต่เป็นเนนย่าเป็นเด็กเลยหลวงปุทเทศทอโตขึ้นมาอยู่กับอาจารย์สิงห์อะไรเงี้ยแล้วพอมาติดสมาธิอยู่สิบกว่าปีอาจารย์สิงห์ท่านแก้ให้ไม่ได้แล้วก็เลยขึ้นไปหาหลวงปู่มัน่นครูอาจารย์นัตะเวนเที่ยวตามหาหลวงปู่มั่นกันไปได้ดีที่เชียงใหม่เขาหลายอง อย่าให้เคลียดแค่แล้วกันนะพุโทโธถ้าพุโทโธอย่างเดียวมีสติก็เอาพุโทโธอย่างเดียวถ้าพุโทโธอย่างเดียวใจยังร้องลอยลืมเนื้อลืมตัวก็าหายใจไปด้วยนะทําสิเอ อ, อได้อยู่ อยู่ว่าเหรอมาไปไม่เป็นไม่เป็นไรไม่เป็นก็ยังพุทโทอยู่ไม่เลิกภาวนาบางครั้งมันก็รู้สึกว่าทำได้บางครั้งมันก็ไม่รู้จะภาวนายัางไงเป็นเรื่องปกติเป็นทุกคนอะ ตอนนี้จิตไม่เข้าฐานดูออกเปล่าไม่รู้เรื่องหรอกเพราะมัวแต่จะแปลจิตมันไปรู้อารมณ์บัญญัติเรื่องแปลภาษาเพะในขณนะที่เราแปลเนี่ยเราไม่ได้มีปัสนาแน่นอนแต่ถ้าจดจ่อการแปลไปได้สมาธิในการแปลในเวลาเลิกแปลแล้ว มาทำกรรมาฐานของเราไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะพุโทโธไปนะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่งางแจะพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วก็รู้ทันใจตัวเองไปใจสงบเพราะรู้ใจคลุ้งสั้นก็รู้นะได้แต่ถ้าจิตไม่ก็บ้านแต <c oughs> ่มันธรรมดานั่งแปรอยู่ไงก็ไม่เข้า อย่าท้อใจนะท้อใจก็ร่วมมันไม่มีเวลาให้เราท้อหรอกความตายรอเราอยู่ข้างหน้าความทุกข์รอเราอยู่ข้างหน้าตายไปจะได้เจอพระพุทธศาสนาอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เรียนตายตอนนี้ไม่ทันเรียนกับหลวงพ่อนะ <laughs> มันท้อแท้มันก็เป็นทุกคนแหละแต่ท้อเรารู้ว่าท้อท้อแล้วก็ไม่เลิกสู้ตายหลวงพ่อภาวนาได้สามพันษาแล้วพอออกพันษาหลวงพ่อก็รู้สึกว่าต้องเร่งความเพลี่ยนสะหน่อย ปรากว่าไม่สามารถเร่งความเพียรได้งงงงตัวเองนะใจรู้สึกว่าถ้าทําอยู่แค่นี้ไม่พ้หรอกไม่พ้นจะเร่งความเพียรแต่ไม่รู้จะเร่งยังไงสติก็เต็มนะสมาธิก็เต็มปัญญาก็เต็มป้ากฏว่าพยายามเร่งความเพียรอยู่ห้าเดือนครึง่งใจมันก็รู้ล้ เล่องไงก็ทำไม่ได้เอาวะได้แค่ไหนแค่นั้นไใจมันรู้สึกอย่างนี้นะอยู่สิบห้าวันใจมันหมดแรงดิน้นหมดโลภะแต่ว่าที่มันหมดแรงดิ้นหมดโลภะเนี่ยมันดิ้นมาเต็มที่แล้วมันสู้มาเต็มที่แล้วแล้วมันไม่ได้นี่จิตมันก็เลย ยอมเอาวะได้แค่ไหนก็แค่นั้นตจมร้สีอย่างนี้นะภาวนาสนุกนะสู้สนุกสนุกหลวงพ่อตอนเด็กๆ ก, ก็ทำสมาธิอยากได้มรรคผลเจอหลวงปู ด, ดูลนะลืมมรรคผลเลยสนุกในการภาวนาการดูจิตดูใจเราหันไปทาง น, น, นั้น ไม่ต้องกราบเสียเวลาไปกราบสงฆ์ทีเดียว